บุ๊ก <Book> 2สามสิบสองซีโที่ร้านอาหารสี่จเรสตูรอนชอขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่เย็กอร์สซีบเซมนีส์สูขขัเดบาเคชอพ และมายองเนสสองที่และดพรสซีบ زمینی س สุก ر د ه با ด้วยซอสแยองเนสและไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่และเซปรสซอ ی ซ س สสุก د ه با خ ด้วดลคุณมีผักอะไรบ้างครับเชน و ع สับจีดอริดคุณมีถั่วไหมครับ ลูบยาดอริดคุณมีดอกกระหล่ำไหมครับกลคลมดอรดผมชอบทานขา้าวโพดหวานมันโรราตูสตารามโบคารมผมชอบทานแตงกวามันขิอ د و س ดูส ر าร خ و โครมผมชอบทานมะเขือเทศ من گ, گ و ก ه فرنگی دوست دارم بخورم คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับพ ا ز چ ه دوست دارید بخورید คุณชอบทานกระหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับท ر ش ی ช ل م دوست دارید بخورید คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับอาดัสดูสตอรีโบโครี คุณชอบทานแครอท ด, ด้วยใช่ไหมครับ Have j do story broccoli คุณชอบทานบอกเอรี่ด้วยใช่ไหมครับ b r o k o l i do story broccoli คุณชอบทานพลิกหวานด้วยใช่ไหมครับ f e l f e l subs do story broccoli ผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ من น ی, ی, ی ا, ی ا ز دوست ندارم ผมไม่ชอบมะกอกมันอัลใจทูนช์ชั่วช้าไม่มีอัยยัดผมไม่ชอบเห็ดมันอักชั่วามีอยด